บัดนี้ลิ่งฟังฟ้าคอยคำพว่วมแรงสาบผาแสงมีสีคำเฮืองน้ำคาสิน้อควมดามเดิมดามาเปล่า ถึงจอมอุทกังเจ้าตนเงาอนันต า, าพาผู้ปกพรงเงาหน้าขลาดเจ้าตนโหม จอมเสียภุ ก, กุมกังเก่าปกจองทานเจ้าโลกกาาจอมพระนาคลาแทน้ำเอินเหียยคามผูงงา สันสิ่งทวนขโมวนมิงแก้วแนวลวนกระบวนเสียแล้วจึงมาบัดเนี้ ขาจะแปลงมาจีทยอยห้อยความปวดบวดมานบอนันตนาขาลาดเจ้าตนเป็นเงาในสักตนตนเป็นใ ย, ยในห้องนาที่ท้องแสนยานผู้ขานนามมีในห่วมความเท่ากับกัน องมิฤทิตเถิงสะบันผ่านโลกโลกาเมื่อนี่ขาสีสมมาว่าหวมเป็นคูเขา้าเอาอันนี้มีมาด่วยส่วยมาล่าขาแตงแป่งคู่แนวเสมอดำงามแลี้ยงจงคอยย่อ หมายสิขอต่อตังอ้งยางเที่ยงเฮียงเคิงขอส่วนบุญส่วนเพิงส่วนผู้ น, านา้ำผู้น้ำเจ้าอนันตาขอผู้นาว่าภายโพดแน่เยือผู้ทรงศีลฝุงขามีหูเคียงเฮียงพองหมายมาอ้อม อาโนกถง ก้า อาป้า กำสำนอง เธอ